เรื่องธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่ ง, รร ง, ง, งจำ เ, เ, เป็นแก่มนรรมุษย์เราอย่างไรบางท่านบางคนที่เหนสนใจที่นที่จะาก็จะไม่รู้ใน่าบว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งจำเป็นแก่มนุษย์คอย่างไรธรรมะของพระพุทธเจ้า เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่มนุษย์เราทุกแผ่นทุกคนจะต้องฝนใส่สิ่งที่เกิมาเนื่องจากธรรมะเป็นถนนขั้นทางสําสหรับแดนของสิตเหมือนกันกับถนนขั้นทายสาหรับตายควรที่จะเดินตามถนนขั้นพาง การในรากความทุกข์ความลาบากจะต้องทุกข์ยากในหลุมในบ่อหรือในขวกในน้ํำส่วนคนที่เดินตามถนนคนทางย่อมปลอดภัยเป็นธรรมดาอยู่เองเกิดนั้นทางโลกเขาจึงนิยม ตัดถนนท่นทอนไผ่เสล็ดไผ่เบนสะดวกหรือไปไหนฮะสู่กันสะดวกสบายทางใจของเราก็ต้องมีถนนท่อนไางเกลาดธรรมะสู่ทีนุ่ธรรมะเป็นเสีงดำเนินชีวิตงว่าด้สะดวกใจสบายใจในตาจนจึงอยู่้องตนธรรมะนั้น จึงเป็นสิ่งสำคัญที่พวกเราท่านทุกคนจะต้องสนใจจะก้ปฏิบัติเพราะธรรมะเหมืนอนสนนท่านไชยไช่นอกออย่างที่อธิบายมาธรรมะมีหลายขั้นหลายภูมิที่สอนพระว่าอยากโยมก็มีสอนทีิสุสามาเนินก็มีแต่ทั้งสอน ท่านตามท่นานฟังหรือท่านจะนิ่งเป็นท่านนี้เทวราชเรื่องเดียวกันทั้งสองทางเพราะเทว่าสอนคารวะในบ้านสามัคคีทรรมหรือบ้า น, านการขูเส้นต่างๆก่อสอนเพื่อความสะดวกสบายในตานรวมหมู่รวมคณะ ใน ม, มีการทอดบริษังกันเพืจากหน้าที่การงานที่ปราศ จ, จากโทษทำแต่การงานที่ดูอยู่ด้วยความสามารถขี่ฟางดองกันเหตุนั้นควนที่มีความสามารถขี เป็นคนดีต่างแต่สามัคคีกันคนที่รักกันชอบกันดีต่างคนคนที่อิจฉาเบียเดเบียนกันอยู่ในสถานที่ใดผูดด้ที่มีธรรมเนะ้อภ า, ายในใจในใจจึงสะดวกสบายอยู่มากก็ไม่ม า, มาโลกหนักสงสารอยู่มากผ่วมรายแรงงานกันสะดวกสบาย ทำสิ่งอะไรกว่อสำเร็จนุ่งล่วงไปโดยความเหยียดหัวส่วอนผู้ที่ปฏิเสธปฏิบัติด้านทำดีในรักษาศีลที่สูงขึ้นไปอย่างที่สื่อสาร ม, มาเนร์ก็เป็นของจําเป็นอย่างยิ่งอีกเหมือนกันธรามะธรรมอย่างนั้น ที่พวกเราท่านจะต้องที่นี่ทีจะไรนาเพราะธรรมะเป็นถนนเส้นทางใหญ่ที่จะนำกายนำใจของสัทวสัตว์สู่เส้นใจไปสู่ความสุขความเจริญผู้ที่ปฏิบัติธรรมะในว่าพระว่าเนรฤาว่าอยู่ในสถานคือใดพุ่มกายเย็นใจ เพราะธรรมะเป็นเครื่องหล่อเลียงกายใจของปุณ้์ขด้รับความสิ้นสิ้นเบิกบานอยู่ทุกตาทุกจิตธรรมะคือพระพุทธเจ้าสอนด้านฆราวาสญาณโยมโ ด, มดยส่วนใหญ่พระองค์ก่อสอนฌานสีนภาวนาฌานจิตาของท้องตน แต่บุคคลผู้อื่นหรือปัดอื่นเป็นเรื่องเสียเสียแผ่ตัดมัสเรียคือ ท, ทารสนิมแน่นแข็งใจออกไปกาจัดสนิมมันคินของใจที่หึองหวงเอาอไว้ในรับทางสะดวกสบายไปผู้จรืไม่รับ เก่เป็นสารประโนทานก็มีหลายขั้นหลายอย่างอยู่เหมือนกันทาน้วยการสงฆ์อนุห์ก็มีทานใดยการบูชาคุณก็มีการเหตุทานองค์ต้นเดียวก็างสดายจานเคยจะทำบ่มเพนมาแต่สร้างสีพระองค์อย่างสั่งพระบาลีอยู่อุชาจะทำทานการสืบเสถันขนกระจัก ในชาติัจุบันทันตาและชาติข้างหน้าเป็นอย่างไรผลของทานบุคคลชื่อหนึ่นมีชื่อเหนียวอุตาจะทำบุญให้ทานทำการสืบเส้นต่างๆเวลาจะเป็นเทวราชหรือชิตุสามเณรบุคคลคู้นั้นมีนิสมีแต่หายมีพักดีพวกเมื่อ เพราเหยียบด้ายเพราะท่านเคยเสียเกียร์จานดานสั่งขาวหาวัตถุถายหน่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้่นใจของบุคคลผู้อื่นใช้เหวินกอดชอบอบเย็นใจเกิดเหวินหิ้วขึนมาไปพักชาอาศัยก็ได้รับการสั่งรับอย่างดีเหยีเนี้อ จึงไดายืลว่ามีพักมีทวกมากมีเถื่อนมีฝูงมากจะไปสถานที่ใดบุคคลผู้ที่มีมมาการจ้องคว้า้องแหหรือสละดใสทานอยู่บอกยากไหตคนที่อยู่ที่อาศัยเพราะบุคคลที่ได้รับจ้องควอาจากเราขขาจ้องคว้าเราต่อ มันเป็นอย่างนี้ปัจจุบันทานตาได้รับความสุขความสบายคือการนี้พักนี้พวกมีหมูมีคณนะมีผู้ทกรักดข่ายยินดีเพราะคุณของทานอันวนไว้ชัยให้ผลเป็นอย่างนั้ น, นท่านชาตแค่นั้นแหละทานคือเราทำเอาไว้ก็ไม่ได้จิดหายไปเหมือน ที่เราไมา่ได้ให้ทานค้นด้ที่รายเก็บออกให้ทานไว้บุญกุศลขนของทานยอดเกิดขึ้นให้งอกหน่อต่อใบหรือออกผลเหมือนกันกันกบเรานำข้าวจากยื่งจากถังของเราไปเพาะไปหวา่ปปางไปปลูกไปสังไว้ในถุงนาข้าวเนืดด้ใบ จะเราเอาออกไปจ่ายุ่งจักขางไปเป็นข้าวปูกไปเพราะข้าวเน็้นั่นแหละจะต้องออกกำไรให้เจ้าเน็้เดียวเท่านั้นแหละถ้าหากไปถูกที่ดีดินดีหรือปุ๋ยดีก็เสรมอันเนื่ให้อาจจะย์แมได้ตัง ก้อเน็ดไม่ทำเน็ดขึ้นไปข่าเน็ดใบคือเราไม่ได้เอาออกจากยุ่งจากหางเอาเสียบเอาไว้ขาว่าเนื้นั้นย่อมย่อมคงตัวหรือเสียงไทยอันตรายบางทีผมมีหนูนมีอะไรกินไปเชียในแบกบริโภคอีกเสียบหนูตายนาทั่วใสหรือตายเสียงกบม้วนกัน จึงนำพืชพันที่เป็นตองตานออกปลูกตามตางตามสมัยเพราะมุ่งผลมุ่งกำไร ท, <ม> ท, ท่านผู้ที่สนใจเรื่องบุญเรื่องกุศลทมทานก็เหมือนกันบุญกุศลืท่ายเสกเหจียดเียร์จานให้ทานไปนัน้นอันเนื่ ว่าผลให้เรามีความสุขความเจริญนในตานข้างห น, น้าพดดาระพุทจเจ้าจึงสอนย่าทายเนสักขัตะโสตานเองทานเปาานน็ น, นบันไดไปสู่สวรรค์เร่องของสำคัญอย่างนั้นเปิดเงนินตาให้ทนเราจต้องแต่ทาบ่มเช่นตาทานสาระที่เราจะแร่ทาบ่มเชนได้อย่าไปเห็นว่า กานให้ทานในเทวายระมดไปแถวนั้นไม่เห็นได้รับผลอย่างไรมาตอบแท น, แนเราวารใส่ใจเทวายดังนั้ น, นเป็นการใส่ใจผิดพลาดไปการเชียงท่านผู้ให้ทานทำการสืบเส้นจริงจความที่จะอดอยากยากจนท่านแต่ยังเพียงควานมนริบูรอยู่ยิ่งผู้ให้ทานทจริงจริงใจัง แต่ะรานาเลียบสวนแต่ละบ้านเดือนแต่ละทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวโเขาเหงแหนออกมาบวชเรียนเช้นอ่านอย่างท้าจ่าท้าสงไรานาะเลียบสวนก็ไม่มีสมบัต้าระสถานอะไรไม่มีวัดที่อยู่ที่อาศัยออก็เป็นของบุคคลผู้อื่นไม่ใช่ของ พาจาจ้าเระสงถือมาจับจองเอาไว้ท er ่านก็เลยได้อานิสงสท่านในมีที่อยู่เป็นของส่วนตัวแต่กรมีที่อยู่สาหรับบำเพ็ญภาวนาอาหารการกินท่านในมีไในยุ่งในของของท่านในมีอในหม้อในเหยือของท่านแต่กรณีเพอาด้ดรับประทานเพราะใดครบได้ทาน อำ น, นาจของการให้ทานจริงจังจเห็นสนแตจากชัดเกศอย่างนี้ในชาติปัจจุบันทันางแต่เท่าว่าทางหากเรามีแต่การให้ทานโดยอย่างเดียวไม่เรียลแล้ ว, วถึงเบื่องอันอื่นก็ยังบกช่องอยู่เป็นธรรมดาเหมือนกันแต่ว่าคนขาหยดถึงจะเดินเห็นไปได้ก็ไม่เคยว่องไวหรือเเลย เดืนั้น พ, พ้าอโพไซด์จ่าจึงสอนขันศีลขึ้นไปอีกคนที่มีศีลก็เป็นอีกอันหนึ่งซึ่งจากสนับสนุนให้ทานของตนมีกำลังเรียแรงมากขึ้นศลีนคือการรักษาตายราจาตายราจา เป็นอะไรพระพุทธเจ้ า, ดด จ, าจึงสอนให้รักษาศีลทรเมดาตายรายจาของบุคคลทั่วไปโดยที่ไม่มีตังราหลังสังวรไม่มีศีล่อไปเป็นเสื่องเยียยารักษาอาจพูดจาไ ด, ได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่คำนึงคำนวณถึงความเสียหายหรือรายได้จากการพูดของตน อาจทำได้ในทางที่ผิดเกิดนั้นพระพุทธเจ้าเนติชนิติจารยาเห็นว่าภาหาควบคุมรักษาเรื่องของตายราจาจะเป็นสารประโยชน์ให้บุคคลผู้รักษาเิดนั้นท่านจึงบัญญัติขีนเอาไว้เพื่อให้รักษาตายรักษาลาจาตของสน ใครเราเป็นผู้รักษาก็ชือใจของเรานั่นแหละรักษาตาอาจากของเราไม่ให้ไปทำชั่วไม่ให้ไปพูดชั่วเพราะการทำชั่วการพูดชั่วก่อตัวของเราเองจะเป็นผู้รับผลการทำชั่วอย่างนั้นผลของการชั่วทุกท่านทุกคนไม่ต้องการแต่เแค่ว่าถ้าหาก มีฟารแต่ทาอยู่ขนก็จ ะ, จะต้องแต่ท่อนเข็นมาหาปลูกแต่ทาเศรษนั้นถึงเราไม่ต้องฟางทันชั่วแต่ตัวของเรายังทําอยู่พูดอยู่ทนนนันทั่วเหล่านั้นเราจะจัดแนก็จะจับเหวียงคววนเข็นมาหาตัวของเราเราต้องระวังรักษา ใร า, ายจาของเราดื้อใจี่มีสติมีศีลใส่จำอยู่ทุกปานทุกเวลาจะทำอะไรลงไปหาว่าขัดข้องต่อศีลต่อธรรมถึงจิตใจรายจา่างเราฝรั่งนั้ดับเอาไว้ไม่ให้ตาของเราไปทาไม่ใหร้รายจาของเราไปพูดเพราะเรามองเห็นผลของควาชั่นั้นจะแผลเถ า, าตัวของเราใหได้รับ ทานทุกอย่างลบาบกากโดยรตางๆเวลาเราทาก็ไม่เมาก็า่ฟองสเทลอยแต่เวลาให้ผลอยอดมากขึ้นเหมือนกันกับเราไปปลูกข่าวหวานท่าวหารืาหารหอเราทำนานเนี่ยพอปลูกก็ไม่มากมาใั่เทลอยแต่เมื่อเวลาถึงแน่เก็บเกี่ยวมากเควรจนเป็นหลายจิดเต นาดีเท่าไรก็ยิ่งให้ผลเท่านั้นมีการทานขั่วก็เหมือนกันถ้าหากเราไปทำในบุคคลที่มีอุปการะบุญคุณเป็นต้นหบบดีบามานดาหรือคือบางอาจารย์ที่ผ่านมีสีมีครามอันยิ่งเราก็เป็นบากรดมอย่างใหญ่โตและหัวาแานแม่นิดหน่อยเล็กน้อยก็เป็นบาตเป็นดมอย่าง ใหต่โไปได้เพราะเหตดใดเพราะท่านเหล่านัา้ น, น, นถ้าจะเทียบกับแผนดินจะเป็นแผนดินที่ดีปลูกฝังอะไรลงไปย่อมทือเราออกผลอย่างเต็มที่เหมือนนาที่ดีเราปลูกข้าวนิดเดียวเท่านั้นแหละเพียงแต่สองเดือวก็อาตอาได้ชาตาเป็นหลายหลายสิกบกระป๋องนี่านานนนดีดงามดาเหตุไร จึงว่าเป็นเรื่องที่จะให้บาปตรรมต่อผู้กระทำคือบุตรที่ด่างมอกมาไกก็คือด่ดางนานาท่านเนคุณอุตตระบุญคุณต่บุตรที่ด่างเนี่ยเป็นบุพการณ์แนะนำผ่านสอนแต่เมือเ่อยังเด็ดยังอ่อนเรียงดูปูปลดถมขห น, นอมทุกสิก่งทุกอย่างเอาใจใส่ดูเลย เลือดไรอะไรมาจัดมาตอมก็รักษาให้ดหรือแงอะไรมาใส่ตอนมาจัดดีดาานดาอย่างรักษาอยู่ทุกตอนทุกเวลาเมืเ่อเวลาเรายังรักษาตัวของเราจะไม่คุ้มยังเป็นเบ็ดอยู่ตลอดเพิ่ข้าตาอาหาอะไรที่ดีมือรัาดอาีดาานาดาอย่างทุนถนอมบุตรเป็นเอวไม่ได้ ว่าแต่ทานกัควรอดทนอยากบ้ า, บาขอให้บุตรคือด่างคือลูกยญิงลูกชายทั้งสัวนได้ได้ชันได้อยู่ได้กินเป็นความพอใจทัานมีอุปการะาบุนคุณอย่างนั้นแหละอันนี้ยาอาหรอคือทุกสิ่งทุกอย่างคือบุตรของตนล่วงเกินไปขี่รถน้อนเหยื่อรถ นอนอย่างไรท่านก็ักฝ่อทูให้เกิดล่างให้ท่านไม่เอาเอาครามอะไรบางครังบางคือนอนดูดิบดิบดิบดมาแต่ที่อื่นมาหยียดนหมเตะหรือไหต่ยมาคือเอาไปมเดยังไม่รู้ยัสาเป็นอย่างนั้นตกทูตตาสอง่อสองแม่พ่อแม่ไม่เคยอิจขาท่านเป็นผู้ที่มีอุปตาระบนคน ต่อบุตรต่พิดาอย่างนั้นบุตรพิดาเมื่อเติบโตขึ้นมาด้วจักภาระเบียงสาเมื่อจาะทำอะไรไดๆจึงทำหนึงคำนวณกับบิดามารดาทาั้งศพจึงใดที่ควรสงวนรักษาในธรรมใน ท, ท่านจะเทียมจิตใจของท่าน แลวรงรักษาเอาพาไปทำผิดในผู้ศรีมีอุปการะบนคนอย่างนั้นทำผิดเมื่อไปทางเรียกตว่าใ น, นป ร, ริยธรรมไม่มีช่องทางที่จะไปสวรรค์นิพพานได้จิตทางดีแไรเปิดนรอกอเยจีให้แก่ผู้ทรีหล่วงเกิดเกิดนั้นทุกคนรพวกเราทุกท่านจะจิตนิพพิจารณา อย่างบาตรจคือความเหมือนกันแต่ได้ผลิดกัน